ที่อารตบผกข้องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันเกี่ยวกับสุขภาพบ้างเกี่ยวกับอะไรต่างๆพวกเราก็เหมือนกันจงเพียรพยาม ไม่ไม่ได้ธรรมะก็อยู่กับเสียงกับธรรมถ้าเราทรรมดไม่อยู่กับเสียงกับธรรมก็ใช่ไม่ได้ที่ธรรมะอยู่ในเราก็น่าเคารพธรรมะอยู่กับใครเขาเคารพคนนั้นเกิดมีธรรมะมักจะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่น ข้าพเจ้าเคารพพระธรรมพระธรรมอยู่ในง่ายขียก็น่าเคารพพระธรรมอยู่ในอุบาสกบาสิกาก็น่าเคารพพระธรรมอยู่ในพระสงฆ์ก็น่าเคารพอยู่กับครูบาอาจารย์ลูกหลานนักเดียนก็น่าเคารพถ้าพระธรรมไม่มีอยู่กับเราก็ไม่น่าเคารพอาจจะเป็นอันตราย การมีพระธรรมคือไม่บีบเปลี่ยนตนและไม่บีบเปลี่ยนคนอื่นขนขวยช่วยคนอื่นจึงอื่นวัตถุอื่นตลอดเวลาแม่แม่ใดทำก็ยังคิดช่วยอันอื่นจึงอื่นไม่ได้คิดว่ายุ่งยากการช่วยคนอ่ะจิ่งที่ยุ่งยากการช่วยคนไม่มียุ่งยากการนําชัว่วยุ่งยากที่สุด ร่วมมือร่วมกับไขรไม่ได้ันขวมชั่วแม้อยู่คนเดียวก็ไม่กล้าคิดไม่กทําทำเราจึงพียรพยายามศึกษาชีวิตของเราเริ่มต้นจากการจดสติให้รู้สึกและเลือกได้แล้วก็จะหลงกับอะไรต่างๆให้ดูให้แล โดยเพราะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันบอกอยู่แล้วเมื่อมันหลงเราก็รู้ถ้ามันหลงไม่รู้ถือว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะถ้ามันรู้ก็รู้ถ้ามันรู้ไม่รู้ก็ไม่ใช่ศึกษาธรรมะถ้ามีปัญหาก็รู้ไม่มีปัญหาก็รู้ไม่ใช่ปัญหาเป็นตัวปัญหาไม่ใช่ตัวรู้เป็นตัวปัญหา เป็นตัวรู้เป็นเป็นตัวรู้มันเลยสบายมันเลยไปสบายาว่าสบายก็เป็นสมมติมันเลยไม่เป็นอะไรกับอะไรตรงนี้คือคือเป็นเป็นการบ่งบอกถึงธรรมะ ทุกคนสัมผัสได้ด้วยตนเองจึงเพียรพยายามมาทำสนุกถ้าเกิดปัญหาสนุกสนุกกับปัญหาที่เกิดขึ้นจาปัญหาเป็นความยากอเป็นกีฬาของเราแม้แต่ความทุกข์ก็เป็นกีฬา เกิดเจ็บเจ็บตายเป็นกีฬาอย่าถึว่ามันเป็นปัญหาเป็นการแสดงกีฬาเป็นเข้มจึงมีสื่อว่ามีชีวิตชีวิตของเราคือไม่เป็นอะไรถ้าเป็นอะไรไม่ใช่ชีวิตหัดให้มีชีวิต ถ้าเห็นก็รู้คือชีวิตถ้ามันสุกก็รู้เ้ามันทุกข์ก็รู้คือชีวิตถ้ามันสุกเป็นผู้สุขต้ามันทุกข์เป็นผู้ทุกข์ไม่ใช่ชีวิตแล้วม sure ันเป็นไปตามพวกกลุ่มต่างๆถ้ามันสุกก็เป็นผู้สุกถ้ามันทุกข์ก็เป็นผู้ทุกข์ไม่มีชีวิตเลยเอาชีวิตไปรับใช้ความสุขควาทุกข์รับใช้ความได้ความเสียอะไรต่างๆรับใช้ความผิดความถูก เราเห็นไม่เป็นกับเชียงใดเนี่ยตรงนี้แหละง่ายๆตัวเองให้อยู่ตรงนี้ถ้าตรงนี้ง่ายต่างอื่นก็ง่ายไปถ้ามันสุขเป็นสุขถ้ามันทุกข์เป็นทุกข์ถ้าตรงอตรงนี้เป็นอย่างนี้ก็อนอื่นก็ยากไปถ้าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเป็นคนละเรื่องก็ยากไปแล้วแสดงว่าเริ่มไม่ถูกต้องถ้าผิดก็รู้ถ้ามันถูกก็รู้ว่า ง่ายไปแล้วอัอนก็ง่ายไปง่ายไปง่ายไปกัมผัดูสัมผัดด <c oughs> ส ด, ดูมันก็สัมผัสได้ไม่ต้องหาที่ใดมันแสดงให้เราเห็น <c oughs> มันให้การว่านเฉยๆลองดูสิเย่นงกนาดไหน เอาความสุขมาให้เออสุขแล้วทุกข์มา้เออทุกข์นะจะยงว่าความสุขคนทุกข์ทดลองแล้วถ้าความสุขคนทุกข์ทดลองเป็นสุขเป็นทุกข์ได้อันหนึ่งก็ทํำลายได้เข้าร่วมมือเมื่อการสงครามถ้าถ้าถ้าคนในให้โอกาสก็สงครามก็ทําได้ง่าย ในตัวเรามีอะไรมันต้องเอาตัวก่อนผูาสุขเนทุกมาเล่นตัวก่อนถ้าเป็นผู้สุขเป็นทุกแต่ว่าแตกแตกแล้วสองคมลบกายคิดถึงต้นหาก็ลบไม่ไม่ไม่ป้องกันไม่มีทางป้องกันถ้า เปิดตรงนี้ได้ก็ไปก็หละเท่าถึงะตะเพตปื่อไปนี่คือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือการไม่เป็นอะไรกับอะไรถ้า <c oughs> เป็นอะไรกับอะไรไม่ถือว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นอยู่เช่นนั้นแต่เป็นสุขเป็นทุก์เป็นหลงเป็นรูปเป็นญากเป็นง่าย อันนี้ก็เป็นเลื่อยไปพวกเราจึงง่ายงายไม่ได้หามอนเกิดขึ้นมาเข้าคิวเข้าแถวให้เราเห็นแต่น้อยเห็นสภาพที่รู้เห็นสภาพที่หลงเจอเข้าก็เห็นหลงเห็นรู้เห็นสุขเห็นทุกข์แล้วก็เริ่มต้นจากตัวนี้ไป ถาเริ่มต้นไปไม่ได้ก็ไปที่ไหนก็ไม่ได้ยังมีอยู่ตรงนี้ก็ยังตามไปอยู่ผิดทุกได้ยากง่ายทุกทุกมันก็ตามไปความสุขความทุกข์มันตามไปตอนที่เป็นสุขเป็นทุกข์มีมากกว่าจึงศึกษาลองดูที่ลองวางจำสบายสบาย อย่าไปจิงจังอย่าไปประเมินตัวเองจกนเกินไปลีดตัวเองเกินเกินไปให้มันแสดงแล้วก็จะเห็นมันแสดงเก่งไนหะอย่างน้อยก็สุขทุกขหรือหลงยากง่า้มันจะแสดงอย่างไนเป็นหญ้าปะโคก ถ้าไม่ถ้ามีหญ้าปาอคอกไม่ผ่านแล้วก็อันหนึ่นก็เจอระญยานเราจึง <c oughs> ไม่มีวิธีใดที่จะเห็นเรื่องนี้เท่ากับการมาสร้างความรู้สึกตัวไม่ได้สร้างหรอความรู้สึกตัวมาประกอบมาประกอบให้มีในกายการไม่แสดง ถ้าไม่ประกอบทางกายกายเขไม่แสดงถ้าไม่ประกอบในใจใจเขก็ว่าแสดงนั่น ก, ก, ก็ปิดบังถ้าเป็นสุขความสุขก็ปิดบังไม่เห็สุขถ้าเป็นทุกข์ความทุกข์ก็ปิดบังไม่เห็นทุกข์เราจะมาดูง่ายๆนี่ฤ ด, ดนูนี้เป็นฤ ด, ดทูที่ส่วนตัว มากกว่าลู่อื่นตีวิเวกให้ให้เป็นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองตีวิเวกแม่อยู่กับโมก็ปริวิเวกส่วนตัวถ้าอยู่กับโมูจ่เป็นส่วนรวมก็มายถึงเป็นส่วนตัวของเราอยู่ ส่นตัวคือยู่กับโมไปอยู่กับผู้คนอยู่กับปัญหาก็าส่วนตัวถ้าปัญหามันเป็นปัญหาไม่ใช่ส่วนตัวหรอกมันเป็นส่วนส่วนสธนาธารณะสัมสอนหลักไช่อะไรทุกอย่างมัก็ไม่ใช่แล้วจึง สนุกดีศึกษาธรรมะ น, นบ่ยง่ายง่ายไม่ใจหมกมุ่นคุณคิดหาคําตอบไม่ใช่ค่หาคําตอบมันตอบอยู่แล้วอันนี้สุกนะไม่ต้องตอบว่าเออสุกไม่ใช่อย่าั้ไม่ใช่คําตอบมันเป็นติดแล้ว เป็นโจด้วยไป้าสุขเป็นสุขแต่วีโจดแล้วเราเป็นผู้สุกเราก็เป็นจำเลยแห่งความโจดของเราเป็นทุกเป็นทุกเป็นจำเลยตกเป็นจำเลยแล้วจกเป็นจำเลยของความสุขตกเป็นจำเลยของความทุกตกเป็นจำเลยของความได้ความเสียตกเป็นจำเลยความผิดความถูกความยากความง่ายไป ก็เมื่อเป็นจำเลยก็ต้องเป็นทาสของเขาไม่มีอิสระอิสระนี่มันต้องไม่เป็นอะไรปวดป่วยเลยฮะยินไหมคิดน้อยไม่ต้องมีใครสอนเราดดเราสอนเราทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่เห็นเห็นต่างกัน ความสุขก็ต่างกันความทุกข์ก็ต่างกันถ้าเห็นอันเดียวกันบางอื่นก็เหินสุขบางอื่นก็เหินทุกข์ความทุกข์ความสุขมันต่างกันแล้วก็เป็นต่างกันสมมติปัญจัถ์ถ้าไม่เป็นอันเดียวกันเห็นมันสุขอันเดียวกันเห็นมันทุกข์อันเดียวกันเห็นมันผิดอันเดียวกัน เห็น <c oughs> มันยากกันเดียวกันแต่มันง่ายอันเดียวกันอันเดียวกันถ้าเป็นเราคนเราอันันธรรมะต้องเป็นอันเดียวกันถ้าคนอื่นไม่ใช่ธรรมะยากไปไหมไม่ยากเลยนะโอ้ยสบายเลยฮจึงก็ นี่เป็นคำพูดลมๆมแรงแรงไม่ใช่เป็นส่วนตัวของกครเป็นลมลมแรงแรงลมลมแรงแรงมีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แต่แรงก็มีประโยชน์ถ้าลมก็มีประโยชน์ยิ่งเราลมลมแรงแรง มีประโยชน์ถ้าเอามาเป็นไม่เป็นประโยชน์มันก็มีโทษทุกวันก็มีอาจารย์มีหลวพ่อใหญ่พู้จูที่นี่เราไม่เปลียวเดียวได้ในชีวิตยอยู่ร่วมกันหลายชีวิต ถ้าเราสุขก <smoke> ja <It> ็เป็นชีวิตส่วนรวมถ้าเราทุกข์ก็เป็นชีวิตส่วนรวมถ้าเราไม่เป็นอะไรนันก็เป็นชีวิตที่เป็นส่วนตัวถ้าชีวิตเป็นส่วนตัวไม่เกาะแข้งเกาขาใครถ้าชีวิตเป็นส่วนรวมกระทบกระทือนความทุกข์ของคนอื่นจะเป็นความทุกข์ของคนอื่นความสุขของคนหนึ่งจะเป็นความทุกข์ของคนอื่นก็ได้ ันละอแต่มันเป็นอันเดียวกันถ้าเราไม่เป็นอะไรก็ไม่เกาะแข่งกาะขาใข่เป็นส่วนตัวเหมือนลูกของเรานักเรียนบางคนส่วนตัวเขาไม่รบกวนใครก็ไม่เป็นะไรกับใครเขาอยู่ส่วนตัวไม่ไม่กัยุ่งกับใคร ก็ง่าบางทีพ่อแม่มีลูกแบบนี้มักแต่พูดแต่ลูกคนนี้ไม่พุ่นวายกับใคต่อไม่เหมือนคนนั่นคนนี้แต่เราเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเราไม่พุ่นวายอะไรัไม่เป็นไรกับอลารก็ง่าก็เริ่มต้นจากการมีสติตั้งต้นจากนี้ไปจึงจะเห็นดังนี้ ถ้าไปคิดมันไม่ใช่เห็นมันคิดเห็นถ้าการมีสติมันเกิดการพบเห็นคิดเห็นกับพบเห็นมันต่างกันคิดเห็นมีคำถามแต่พบเห็นไม่มีคำถามนีแต่คำตอบเพิ่มตอบนี่ยมันชัดกว่าคำถาม จะจะทต้องเป็นคบตอบถ้าเป็นคบถามมันเป็นสมมติปัญญาตสองสามเรื่องไปคนถามก็เป็นสมมติปัญญาตค้นตอบเป็นสมมติปัญญาตเราพบเห็นเป็นปรมาจิตสัจจเนาะยิน อ, <c oughs> อวันนี้หลังจากกบฏตาเน่เลยนะนะ อาสมควรเจอละกะพระพกั <c oughs>